เปตพุ่มคือภูมิแห่งเปตรตเวลาใจของเรามันเคลื่อนไปสู่ความความหลงความโง่ก็เหมือนกับเปรียนเข้ากับเข้าไปสู่ติรัชานภูมิติรัชานพุมนพ่มก็คือภูมิแห่งเดรัฉานเดรัฉานนี่มันหลงในเวลาใจของเรามันโกรธ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 เห็นอาการของจิตมันขึ้นมันลงก็รู้สติถึงสำคัญและมีปัญญามันหนุนช่วยก็ทำให้ปล่อยทำให้วางได้ทำให้จิตปล่อยจิตวางได้นี่เดี๋ยวนี้เราไปไปห่วงไปสนใจเรื่องโชคชะตาราสีมากไปห่วงไปสนใจกับเรื่องการมีอิทธิฤทธิ์การเห็นอนาคต เห็นโชคเห็นลากแต่ไม่สนใจเรื่องที่จะมาดูจิตดูใจของตนเองหรือมาลู้เท่าทันตัวกิเลสวันสองวันนี้ก็มีข่าวอยางเหมือนกันนะเรื่องฤษีภารตะอษีภารตะนี่ก็กำลังดังเพราะว่ามองอนาคตได้เก่งเขาว่าอย่างนั้นนะเห็นเห็นเลขเห็นเบอร์ไดแมนคนก็แห่กันไปใหญ่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 คนไทยเราเดี๋ยวนี้เราไปติดอยู่แค่ทิฏฐธรรมิกตถาประโยชน์ชั้นต้นคือโชคลาบทรัพย์สินเงินทองอายุวันนสุขภัลล ะ, ะแค่นั้นต้องไปให้ถึงสมประยิกตถาคือความสงบความเย็นที่ใจเนะพราะมีสติเพราะมีปัญญาเพราะรู้จักทำบุญทำกุศลแล้วก็ไปให้ถึงปรมัติมีปัญญาถึงขั้นที่เรียกว่า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 สู่ความปกติให้ได้เรว่าเหนือพพเหนือภูมิได้เลยนะศีลก็เล็กศีลเดียวนะก็ขอให้ตั้งใจนะก็ทายยกแล้วก็แม่ออกนี่ก็ตั้งใจมากันนะเกือบทุกศีลอันนี้ก่อนโมโหมูานาะใครจะมาหรือไม่มาขอให้เรามาก็แล้วกันเพราะว่าใครมาคนนั้นก็ได้นะใครไม่มาคนนั้นก็ไม่ได้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 การมารักษาศีลก็ถือว่ามาเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานให้กับเพื่อนบ้านเผื่อว่าจะได้เขาจะได้มาทาบ้างประเพณีแบบนี้ก็ต้องรักษาเอาไวนะ้เพราะฉะนั้นการที่เรามาก็ถือว่าเป็นการมาทําประโยชน์ท่านด้วยประโยชน์ตนก็ได้เวลาคือได้บุญได้กุศลได้รักษาติดรักษาใจนะให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทําให้ใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราได้อันนี้เรียกว่าเป็นการ